ว่ามหาภูตรูปแต่ละอย่างนั้นเหมือนกับอสรพิษเลยเลี้ยงยากเหมือนกนเฉพาะมหาภูตรูปแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นถ้าหากว่าเลี้ยงขาดความสมดุลถ้าหากว่าเราบำรุงธาตุดินมากจะผิดธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมถ้าบำรุงธาตุลมมากจะผิดธาตุดินธาตุไฟและธาตุน้ําอันแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นถ้าใครเลี้ยงไม่ดีมันก็จะกัดเอา มันมันกัดก็คือจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น ม, มหาภูตรูปนั้นเป็นรูปที่เป็นประธานของอุปาทายรูปเพระนั้นจักขคู่ภาษาท่เวลาจะเกิดขึ้นก็อาศัยมหาภูตรูปเกิดโสต่าภาษาท่เวลาจะเกิดขึ้นก็อาศัยมหาภูตรูปเกิดคานาภาษาทชิวหาภาษาทกายปภาษาท่เนี่ยเวลาจะเกิดก็อาศัยมหาภูตรูปเกิดเมื่อมหาภูตรูป บกพร่องถ้าคนเลี้ยงไม่ดีนะปภาษาทรูปจะเสียหายด้วยเมื่อภาษาทรูปเหล่านั้นๆเสียหายการรับภาพทางตาเป็นต้นก็ไม่ดีทําให้ตานี่เห็นสีไม่ดีหูฟังเสียงไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีเมื่อสุขภาพกายไม่ดีปภาษาทรูปเหล่านี้ไม่ดีจะต่อด้วยวิญญาณขันก็ไม่ดีละเพราะวิถีจิตเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปภาษาทรูปเป็นต้นเกิด เมื่อภาษาทรุธไม่ดีวิถีจิตก็ไม่ดีเมื่อวิถีจิตไม่ดีมันก็จะพาอย่างอื่นไม่ดีด้วยนะภาษาก็ไม่ดีเวทนาก็ไม่ดีสัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์แต่ละอย่างไม่ดีสักอย่างเลย น, นะมันจะพาตัวกันเองเนี่ยพาวิบัติไปหมดเลยดงนั้นพระองค์จึงแสดงว่าไอ้ขันท่าเนี่ยมันเป็นของหนักพาราฮเวปัญจักขันธาขันทา่าเ น, นี่ยเป็นของหนักมันเป็นภาระ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 สร้างพบสามคติ4่แต่ดูท่าจะสร้างการรมมาพบ ส, ส่วนมากนะคตินี่อะไรดีนะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะเราก็สร้างทั้ง4ี่คติอีกนั่นแหล ะ, ะสร้างทั้ง4กําเนิดคติหก็เป็นมนุษย์หรือเทวดาคติดีนั่นแหละั้ น, นชีวิตเป็นไปแต่ละวันแต่ละวันเราก็สร้างรูปนามขันหใหม่ตลอดอนะกรรม ก็เป็นตัวสร้างวิบากและกรรมชรูปตันหาอุปาทานก็เป็นเชื้อที่จะให้กรรมให้ผลอันดัก็ทํากรรมใหม่สเสวยกรรมเก่าทํากรรมใหม่สเสวยของกรรมเก่าไปอย่างเงี้ยเหมือนกับหกงูกินหางเลยนไมไม่จบไม่สิ้นเพียงแบบเปลี่ยนการเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่มันก็อยู่เท่านั้นเอ ง, เองนะชีวิตดูเหมือนใหม่แต่ก็แนวเก่า นะชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เรามาผ่านมาผ่านมาถ้าหากว่าผู้ที่เจริญอาทีนะวสัญญามากๆนะว่าสิ่งเหล่านี้น่าเบื่อหน่ายเนะบื่อหน่ายในการเห็นเบื่อหน่ายในการได้ยินเบื่อหน่ายในการรู้เล่นลิ้มรสซึ่งเราก็สับกระทบสัมผัสรับรู้มาทุกอารมณ์เหรานี้ถามหาว่าอะไรมันเป็นสาระเป็นแกนสารที่สุดเราชื่นใจเหลือเกินเมื่อมีสิ่งนั้นนะไม่ เราก็เลี้ยงดูบริหารไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าชีวิตของเราทั้งหลายก็เป็นไปอยู่กัสัตว์จะสองทุกขสัตว์กับสมุทยัทยสัตว์ทุกขสัตว์สมุทยัทยสัตว์อันชีวิตเหล่านี้ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นเพราะได้ปัจจัยใช่ไหมทุกข์เท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละดับไปเพราะได้ปัจจัย เพราะหมดปัจจัยเมื่อได้ปัจจัยก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นกรรมวัตวิปากวัตรและกิเลสวัตรอันถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาสะสมอบรมสัมมาทิฐิประเภทวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญสัมมาทิฐิอันนี้อาศัยวิเวกนะความสงัดอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละวางจากการยึดถือสิ่งเหล่านี้วางด้วย วางอะไรวางอุปาทานวางกามุปาทานในอารมณ์นั้นๆวางทิฏฐปาทานวางศีลพัตุปาทานวางอัตวาทุปาทานแต่ว่าอุปาทานเหล่านี้ที่คนจะวางได้ต่อเมื่ อ, อยังถึงขันห้าจริงๆริงนะยังถึงว่ายงงอย่างไรยังถึงว่านะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ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 ทั้ในนั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยไม่มีอัตตะสาระไม่มีนิจะสาระไม่มีสุขะสาระนะสิ่งเหล่านี้พระ อ, องค์บอกว่าเหมือนกับของขอยืมเข้ามานะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับของขอยืมเหมือนกับความฝันเหมือนจริงนะชีวิตเราเมื่อวานที่มาฟังทำเหมือนจริงเนอะจริงไ่มเอาเอามาให้ดูหน่อยจริงที่ว่าเนี่ยมันฝันอะใช่ไหม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 บนน้ําและมองเห็นฝั่งแล้วพระโสดาบันนี่คือผู้ที่มองเห็นฝั่งพระสกอาทาคามีนี่ไหว้ละด้วยเรียวแรงนะพยายามบากบันภานาคามีเนี่ยเทีเยบว่าเหยียบพื้นในฝั่งแล้วก็น้ําท่วมคอนั่นแหละน้ําเสมอคอแต่ว่าเหยียบพื้นน่ะกุ่นใจระดับหนึ่งแล้วพระทหา์ก็ขึ้นบกเป็นพรามแต่ชีวิตของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยของมาพูดก็พูดเหมือนคนฝันอีกนั่นแหละ เออจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ตื่นตื่นจากอวิชชาที่ว่าไม่ตื่นจากอวิชชาเห็นอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่ได้เห็นอริยสัจอ่าไม่ได้เห็นจริงๆถ้าเห็นอริยสัจจริงๆก็จะรู้อริยธรรมก็จะเป็นพระอริยบุคคลทีนี้ทาอย่างไรเราจึงจะเห็นอริยสัจเหล่านั้นนะภาษาสะดะเราแนะนาว่าอย่างไรนั่นแหละคือที่ไปในเบื้องหน้าของเรา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 ท่า น, นผู้ที่เจริญศึกษาปฏิบัติตามคําสอนนั้นที่เขานับถือคําสอนเพราะว่าคําสอนสามารถช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกเหล่านี้ได้ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาที่คนเขาหมกอยู่ส่วนผู้รู้หาข้องไม่ไม่ข้องด้วยอํานาจแห่งตันหาและทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น พระอรหันต์ท่านก็เหมือนลมอะ่ะท่านก็เห็นหมดแหละแต่ว่าท่านเห็นอริยสัจด้วยเห็นอริยธรรมด้วยท่านจึงไม่คล้องไม่ติดในทุกๆอารมณ์ท่านไม่ติดแม้แต่ความคิดอันนั้นด้วยเพราะท่านก็ท่านก็ถือว่าแม้แต่ความคิดแม้แต่ความรู้แม้แต่สติปัญญาก็เกิดด้วยปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นเที่ยงไม่มีนะ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 อันพระองค์เนี่ยหลังประโยชน์ให้แก่ศาสตราสัตว์ทั้งหลายเสร็จพระองค์ก็ดับขันท ป, ประริณีพาะตามสมควรแก่ปัจจัยนั้นนัน้นชีวิตของศาตร์ทั้งหลายก็เป็นไปตามปัจจัยอยู่ในลักษณะนี้นผู้ที่มองเห็นชีวิตที่เป็นไปตามปัจจัยลักษณะนี้สามารถทนจากทุกได้สัพเพสัตตาอาหารธีติกาศาสตร์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารอยู่ด้วยปัจจัยแต่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพื่อที่จะ ตัดเหตุตัดปัดดดจจัยตัดลิ่มสลักเขื่อวิชาเป็นต้นเนี่ยเมื่อพ้นจากลิ่มสลักเหล่านี้แล้วก็เท่ากับหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้อันผู้ที่สแสวงหาความสุขในเบญจา ก, กามคุณนั้นเป็นความสุขที่เหมือนกับไปยืมของเข้ามาใชา้ของชั่วครั้งชั่วคราวของในโลกนี้มันเป็นสมบัติผลัดกันชมเท่านั้นเองนะถ้าสีก็ผลัดจากครูวิ ญ, ญญาณไปดู นะถ้าเสียงก็ผลัดโสตวิญญาณไปฟังถ้ากลิ่นก็ผลัดโสตคานะวิญญาณไปรับรู้นะถ้ารสก็เปลี่ยนชิวหาวิญญาณไปรับเท่านั้นเองแม้แต่ชิวหาวิญญาณเหล่านั้นก็เกิดด้วยตัดใ จ, จนะคุยเรื่องอันนี้จังไว้เยอะๆก่อนนะเนาะแล้วก็พอเราเข้าใจแนวทางวิปัสสนาพอสมควรและศึกษาเรื่องเมตตาก็จะได้ไม่ไปติดเนี่ยกับเมตตาอีกนั่นแหละ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 อันสองเมื่อเราฟังแล้วทรงจําไว้ได้เอาไปไข้ครวนไปตรึกไปคิดตามนั้นอันนี้เรียกว่าโยนิสโสมนัสิการะอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดเมตตาหันปัจจัยสองอย่างเหตุสองอย่างนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อสัมมาทิฏฐิดีสัมมาสังกัปปะก็ดีการเจริญเมตตานี้นับอยู่ในองคแ8ดไหมอยู่ไหมอยู่ในมรรคองค์8ข้อไหนมรรคมีองแปดหนึ่ง หนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสมสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมมันตะห้าสัมมาอาชีวะหสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิอันการเจริญเมตตาในเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นอัพยปาธาวิตกนะอภยปาธาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีสามอย่างหนึ่ง เนคขมมะสังกัปปะ 2. อ, อัพภยาปาธะสังกัปปะ 3. อวิหิงสาสังกัปปะในช่วงการตรึกการปรารบเมตตาอันนี้เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะถ้าสัมมาสังกัปปะอันนี้มีคุณภาพมากเรียกว่าสัมมาสมาธิต้องมีคุณภาพเป็นอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาสมาธิอย่างจริงๆ แต่ถ้าเป็นคณิกะสมาธินั้นไม่ต้องเจริญนักเพราะปกติก็เป็นคณิกะอยู่แล้วแต่คณิกะอันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่ออุปจารสมาธิเป็นไปเพื่ออัปปนาสมาธิดังั้นการตรึกเหล่านี้บ่อยๆเป็นสัมมาสังกปะคนจะตรึกได้บ่อยได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่สัมมาทิฏฐิสมาธิที่มีปัจจัยเท่าไหร่ลองตลบหลังดูนะใส่เกียร์ถอยสัก ถ, ถอยได้หรือเปล่า สมาธิี่มีเหตุกี่อย่างเมื่อกี้บอกกี่อย่างสองอย่างนะหนึ่งปรโตโขสะการฟังนะฟังนับทั้งอ่านด้วยนะสองโยนิสโสมณัสิการะก็คือไปคิดตามเหมือนกับที่ฟังมานั่นเองเรียกว่าโยนิสโสมณัสิการะขานพระองค์นั้นเวลาจะแสดงธรรมพระองค์บอกว่าจงฟังจงตั้งใจให้ดีจงมณัสิการให้ดีฟังนั้นก็คือ ประโตโคสะนะฟังเสียงจากคําสอนเสร็จแล้วก็มานสิการให้ดีนะโยนิโสให้ดีเมื่อทั้งฟังด้วยโยนิโสด้วยอย่างนี้กุศลธรรมก็สา ม, มารถที่จะเกิดอย่างต่อเนื่องถ้าถ้าเราทั้งหลายพูดว่าโอ้กุศลเนี่ยมันเกิดยากเกิดนิดๆหน่อยๆอันนั่นเขาเรียกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษามันเป็นอย่างนั้นว่าวันๆหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายกุศลเกิดยาก จริงจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนชีวิตเกิดยากสมมติว่าพูดทำสำนวนชาวโลกว่าคนที่ไม่มีงานทำเลยนะรายได้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันยากแต่ถ้ามีการมีงานทำเป็นล่ำเป็นสันแล้วเนี่ยยากไหมรายได้ยากัหมไม่ยากการเจริญเมตตาเรียกว่ากรร ม, มาฐานฐานแปลว่าเหตุกรรมแปลว่าการกระทาเหตุแห่งการกระทาการงาน เมื่อเมื่อมีงานทำอย่างนี้แล้วกุศลไม่ค่อยเกิดเนี่ยแสดงว่ารวยเต็มทีละมีอยู่สองอย่างบริษัทใกล้จะเจงหนึ่งทำงานผิดพลาดถูกเกือบจะไล่ออกละเจนพานเจนพานใช่ทั้งตึกผิดภาวนาผิดผิดหมดเลยเจนพานเจนพาน เกิดมาเกิดม า, มาเพราะฉะนั้นตรงที่การฟังเป็นต้นเนี่ยนะเป็นหัวข้อชั้นหนึ่งเลยเพราะว่าพุทธสาวกนเน่นะเกิดจากการฟังนะความเป็นสาวกของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วฟังนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะาศาสนาพุทธศาสน า, าเนี่ยเกิดจากการฟังแต่ฟังอย่างเดียวพอไหมเหตุแห่งวิมุตมีกี่อย่างคะ เหตุแห่งมิมุตมีห้าอย่างหนึ่งฟังธรรมจากาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรีพูดอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูฟังถ้าไม่ฟังอะ่ะทําไงได้เหตุได้ปัจจัยปับ๊บเราก็แสดงมาโดยพิสดารเหมือนที่เราฟังเองอนะฟังมายังไงก็แสดงได้ขนาดนั้นหรือ ม, มากกว่าก็ไม่เป็นไรน แ, สแสดงให้คนอื่นฟังอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่สอง แต่ถ้าฟังเฉยๆนะสักว่าฟังมานั่งเอาเอาหูมาเด้วยเฉยๆไม่สา ม, มารถที่จะทรงธรรมไปแสดงให้คนอื่นได้เอ๊ก็คิดดูไอ้ฟังมาดีหรือเปล่านะก็มีมีโทษอีกแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าคนที่ที่ฟังอ่ะนะในช่วงฟังนี่ปัญญาก็มีหลายระดับบางคนก็ปัญญาเหมือนกับหม้อคว่ำก็มีเทไม่เข้าเลยอ่ะบางคนก็ปัญญาลึกซึ้งกว่า น, นั้นอีกหน่อยก็เหมือนกันหน้าตักนะนั่งฟังรู้เรื่องลุกไปหายหมดเลยนะ พอคิดถึงบ้านปั๊บธรรมะกระเด็นหนีหมดเรื่องอันนี้เรียกว่าปัญญาเหมือนหน้าตักนะปัญญาบางคนก็เหมือนกับม่งไงนะเปิดไงรับกลับบ้านได้เอาไปตรึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วสามื่อที่จะแสดงให้คนอื่นฟังได้ต่อไปและข้อสมีิมุตานุตรยะข้อที่สก็คือถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงทาไงสาธยายนะ เราสา ม, มารถศึกษาจนเอาไปสาธยายได้ไหมว่าลำดับของเมตตานะมีอะไรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดเป็นฌานได้กี่ในยังไงบ้างเอาไปสาธยายตามนั้นอันนี้เ็าเรียกว่าเหตุข้อที่สองที่จะทำให้เกิดวิมุตต์อ่ข้อ3ข้อ4ทํถ้าไม่สาธยายก็ตามเพ่งด้วยใจตามตรึกด้วยใจอนะการการค้นคิดตรึกไตรตรองด้วยใจ ข้อสุดท้ายใส่ใจในกรรมฐานนั้นๆนอให้ชำนิชำนาญนทั้งห้าอย่างเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นท่านการฟังนั้นจะต้องฟังจนถึงขนาดฟังให้จนถึงกับเป็นลูกศิษย์พระอานนุ์ได้นะแนวสายศึกษาเรียกว่าสายลูกศิษย์ลูกหาบริวารของพระอานนุ์บริวารของพระสารีบุตรท่านท้าเน้นการอยู่ป่าอยู่เขาก็บริวารของพระมหากัสปะแสดงว่าเราสะสมบุญประเภท พระสารีบุตรเนอะประเภทพระอนอนทเทระท่า น, คค น, นก็คือการก็บอกว่าการมณสิการกรรมฐานสิบสาบแปดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละชื่อว่าเป็นมิมุตตานุตริยะด้วยเจนพลคือตามเพ่งด้วยใจนี้ก็คือตามเพ่งพระธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใส่ใจในกรรมมาฐานเนี่ยนะกรรมฐานที่ต่อเนื่องเนี่ยก็อย่างหนึ่ง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 คือสมถะนั้นผู้ที่ได้สมถะนะจะเป็นผู้ที่เป็นสุ ข, ขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นสุขนะบางท่านก็คิด ป, ปาพินยาตรัสรู้เร็วบางคนก็ตรัสรู้ช้า<ม>แต่คนที่ไม่ได้สมถะเลยนะพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกนะชีวิตแห้งแล้งพอสมควรเหมือนกนแต่ถ้าคนที่ได้สมถะนะชีวิตจะ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 นะถ้าสาธยาไม่ได้ก็ตรึกเรื่องเมตตาฉะั้นคนที่จะปฏิบัติเมตตาให้ได้ผลจริงๆเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้น่าจะอยู่ในสมองได้นะมันต้องอ่านคือเรียกว่านึกข้างท้ายก็ต้องนึกหัวได้พูดหัวต้องนึกท้ายได้พูดกลางนึกหัวนึกท้ายเนี่ยนะต้องนึกได้นะท่านนึกไม่ได้จะเจริญได้อย่างไรของมาเนึกถึงเวลาโยมเขาเอาพวกพวกเครื่องเสียงหรือพวก พัดลมพวกอะไรไปไปให้นะไปถวายเนี่ยเขาจะมีไอเอกสารประกอบการใช้เขาบอกหมดเลยนะอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ทํายังไงไขน็อตกี่ตัวอะไรกี่ตัวแล้วบอกว่า น, นี่ข้อข้ อ, ขอมูลสําหรับช่างติดตั้งอย่างนั้นอย่างนี้วัตถุชิ้นเดียวนั่นแหละนะเช่นพัดลมอันเดียวเครื่องทําน้าร้อนอันเดียวนั่นแหละมีคู่มือประกอบเบ็ดเสร็จถูกต้องแม่นยํำเป๊ะๆหมดเลยใช่ไหมบอกด้วยว่าใช้ไฟเท่าไหร่อะไรอย่างไร แต่การเจริญพรหมิหารซึ่งเป็นล่ำเป็นฟันเป็นกิจเป็นงานเป็นชีวิตของเราเลยเรากลับจำไม่ได้ถ้าอย่างนี้เจริญยากเจริญยากจริงๆเลยธรรมะทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาไม่จนถึงทรงจำไม่ได้เราจะปฏิบัติได้ยากจริงๆนะทุกอย่างวิ ป, ปัสนาเหมือนกันวิปัสนาทุกคนก็บอกว่าเออขันท่าอเยตนะสัจจาอินทรีขั น, น, รร น, ขนมีอะไรบ้างเออด้นะหข้อรูปมีเท่าไหร่ไ อ, อ้ชักยุ่งเลย ใช่ไหมเวทนาเท่าไร่สัญญาเท่าไรสังขารเท่าไรวิญญาณเท่าไรทําไมจึงเรียกว่าขัน ช, ชักยุงยนะั่นนะขันเท่านี้ทําไมจึงเป็นวิปัสนาภูมิขันทําไมจึงเป็นทุกข์ทาไมขันจึงเป็นชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นนะถ้ามองไม่ออกแล้วจเจริญอะไร <c oughs> นะก็ผลของการปฏิบัตินั้ น, น, นก็น้อยเต็มทีเมื่อน้อยเต็มทีเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมเราเนี่ยเสื่อมจากท่านเรียบร้อยแล้ว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 ถ้อยคําเหล่านั้นก็คือถ้อยคําที่เป็นไปกับเมตตานั่นเองสวัสดีครับถ้อยคําคนไทยๆใชนะ้ก็คือเป็นถ้อยคําที่มาจากถ้าถ้อยคําด้วยสุดจริตใจ จ, จริงๆนะถ้อยคําอันนั้นก็เป็นเมตตาที่ที่ออกมาทางเมตตาว่าสวัสดีครับแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสให้อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของของเมตตาแต่เป็นเมตตาวจีกรรมโบกไม้โบกมืออวยชัยให้พรก็เป็นเมตตา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 การเจริญเมตตาก็คือเป็นการเจริญธรรมะประเภทที่จะระ ง, งับดับสายสายโทสะตรงๆเลยเหมาะกับคนโทสะจริตนะเหมาะกับคนโทสะจริตบางท่านพอศึกษาเรื่องเมตตาก็บางทีฟังแล้วก็เฉยๆนะแต่ไปฟังเรื่องอสุภาษณ์อยู่โอ้โหผึ่งตับตาใสาเลยบางท่านก็เป็นอย่างนั้นบางท่านนี่ฟังอสุภานี่น้อยเสมฟังเมตตาแล้วก็โอ้โห ใช้งานอะไรง่ายหมดเลยเขาว่างั้นแสดงว่าใจดีมากอย่งบางคนนี่ไม่ได้ต้องวิปัสสนาอย่างเดียวขันธ์าตุอายตนะลึกเท่าไหร่ยิ่งชอบอลักษณะนั้นแสดงว่าคนประเภทสายทิฏฐิจริตหรือสายอโมหพุทธิจริตนะนะสายปัญญาว่า ง, งั้นแต่ก็ในขณะเดียวกันก็อย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากไปเพราะการเจริญธรรมะก็เป็นการเจริญอินทรี่ห้อย่างอินทรี่ห้าอย่างต้องสมดุลกันนะจึงจะมีการตรัสรู้ธรรม ถ้าอินทรี่ห้าไม่สมดุลกันก็บรรลุรมไม่ได้สมดุลในที่นี้หมายถึงสามัคคีหรือสมังคีหรือพร้อมเพียงกันทั้งห้าอย่างสัตทินรีย์ต้องบริบูรณ์อย่างการเจริญเมตตาต้องมีศรัทธาในเรื่องของเมตตาศรัทธาเรื่องเมตตาสองมีวิริยะมีความเพียรพยายามในการเจริญส ม, มีสติก็คือสติเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบวินิจฉัยว่าอันนี้ เกื้อกูลต่อเมตตาไหมหรือนี้ไม่เกื้อกูลต่อเมตตานี้เป็นประโยชน์ต่อเมตตาไหมอะไรก็ตรวจสอบสตินี้เป็นตัวระลึกเป็นตัวตรวจสอบความเรียบร้อยอันนั้นนะโ น, นสมาธิก็คือความสงบสมาธินีก็คือเมตตามิตเนี่ยใส่ใจมากๆสมาธิก็จะเกิดแล้วสุดท้ายก็คือปัญญาแนวทางแห่งการเจริญเมตตาต้องมองอย่างตลอดสาย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 เ, เวลาเจริญเมตตาให้กับตัวเองนะฮะก็ให้ทําความรู้สึกว่าจริงใดที่ที่เราชอบที่มันเป็นความสุขหรือว่าเป็นความต้องการของเรานะแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายว่าผู้อื่นก็มีความรู้สึกอย่างเราอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ที่เราต้องการที่เราปรารถนาที่เราชอบเนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างไรนี่นะเช่นช่เราปรารถนาความความสุขความอบอุ่นนะฮะ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 ว่าเออท่านเหล่านั้นก็มีความรู้สึกเหมือนเราอย่างนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยนะเกิดเมตตาขึ้นได้นะหรือว่าถ้าหากว่าสิ่งใดที่เราไม่ชอบนะเราไม่ชอบคาที่เป็นพุลุสวาจานะหรือว่าคำเสียดสีคำไรนี่นะพอเราดูว่าเ อ, อ๊ะสิ่งนี้เราไม่ชอบเรารู้เลยว่าออความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะแล้วเราก็ถ่ายว่าเออถ้าเราพูดอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ต้องไม่ชอบอย่างนี้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 เช่นเรามีความรู้สึกว่าเรารับคําชมเนี่ยแหมเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมคนอื่นก็ต้องการชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราคิดอย่างนี้แล้วนี่นะครับเราก็จะชมคนอื่นง่ายขึ้นนะด้วยวัจีด้ว ย, วยทวารทางกายทะทวารจะได้เช่นสมมุติว่าผมขับรถไปนี่นะผมเห็นเขาแต่งแต่งสวนสวยมากเลยขับรถไปแท้ๆเลยเนี่ยนะถ้าผมเนี่ยจเจริญเมตตาเนี่ยผมเพียงยิ่ยกหัวไม่มือให้เท่านี้นะยกเท่นี้นะเพียงเท่านี้นะเนี่ยนะ นี่เป็นการที่เราจเจริญเมตตาและส่งมิตรไปแล้วนั้นเนี่ยเขาเห็นพับธนี้เขารู้แล้วเขายิ้มตอบมาเล ย, ยแหมเขายิ้มแฉ่งเลยลักษณะนี้เป็นเมตตากายกรรมต่อหน้าใช่ไหมคือถามว่าถ้าเราตั้งใจนะถ้าเราตั้งใจทําอย่างนี้นะนี่เป็นการเจริญนะคือการทําให้มากแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็เคยทําอย่างนี้ใช่ไหม นั่นไม่ใช่การเจริญมันมีเองตามธรรมชาตินะถ้าอย่างนี้นะตั้งตั้งใจนะอันิี้สูงสูงมากการสมาธินั้นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าการอธิษฐานหรือการสมาทานนั้นมีความสําคัญค่อนข้างมากปราลรบรเริ่มบ่ายๆแต่ส่วนในการเจริญเมตานั้นทที่ลืมไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือเมตานั้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อเมตานั้นเป็นสัมมาสมาธินั้น ปัจจัยของสัมมาสมาธิก็คือศีลต้องดีพอสมควรนะที่ใช้คําว่าศีลดีนั้นจิตใจของเราเนี่ยนะเฉพาะตัวอินทรีย์สังวรศีลต้องดีพอสมควร <c oughs> คือศีลห้าเราทั้งหลายนี่ก็ดีอยู่แล้วแหะแต่ว่าอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยต้องดีการมองเห็นหูได้ยินจมูกลมกลิ่นเนี่ยจะต้องสังวรสํารวมระวังรักษาได้นะการเจริญเมตตาจึงจะเป็นไปได้ แต่ถ้าหากว่าจเจริญเมตตาเสร็จแล้วอินทรีย์สังวรไม่ค่อยสัมรวมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดนะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเจริญเมตตาเสร็จไปหากิจกรรมบางอย่างซึ่งใกล้ต่อโทสะมากนะเจริญเมตตาเสร็จแล้วดูมวยอย่างนี้เมตตาเนี่ยหมดเลยนะเพราะมีใครอยากให้ทั้งคู่เนี่ยนะชนะทั้งคู่มีไหมเราก็ต้องเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเอาเลยซ้ายขวานะถ้ายิ่งมันตลบได้ยิ่งโอ้โหยิ่งปรารถนามากอันนั้นเป็นขาดเมตตาแล้วนะ ขาดเมตตาขาดการุณห์ฮัลกิจกรรมบางอย่างจะไม่เกือ้อกูลต่อเมตตาเลยอย่างเช่นการแข่งขันเนี่ยยังได้อย่างหนึ่งเราอยากให้ชนะทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราเห็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปับ๊บเราก็จะไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งฮันกิจกรรมบางส่วนก็ขาดขาดเมตตาฮันเราจะต้องสังวรได้สังวรเรื่องในการคิดเหมือนกันเรื่องราวที่เราจะคิดเนี่ยบางอย่างต้องรู้ว่าอะไรเกื้อกูลต่อเมตตาและ ไม่เกือ้อกูลถ้าเราไม่เข้าใจนะบริหารเมตตายากทีนี้อกุศลถ้ามันเกิดบ่อยๆเข้านะมันก็ทอแท้ที่จะเจริญกุศลเหมือนกันที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่สามารถที่จะรักษาได้กระบวนการเจริญเสร็จนะการรักษาก็สาคัญพอๆกับการเจริญการเจริญนี่ยากแล้วละ่ะแต่รักษายากกว่านั้นอีกอันนะัเมื่อเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ่อย นะหัวข้อใหญ่ๆ ห, ห, หลักกว้างๆก็คือที่ว่าขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถอะใช่ไหมให้มีความสุขจริงๆเลยข้อสองก็ขอให้ข้าพเจ้าปราถนาปร า, ปราศจากความทุกข์เถอะขอข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยข้าพเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทอย่าได้มีความเบียดเบียนเลยแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์ให้มีความสุข นะขอให้ถึงซึ่งความสุขบริหารตนให้มีความสุขอย่างนี้นอันนี้นี่เป็นแนวทางเฉยๆซึ่งถ้อยคําที่จะภาณาอวยชัยให้พรแก่ตัวเองเท่าไหรก็ได้หาอะไรที่ที่เราต้องการจริงๆะนะแสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้ประสงค์ของตัวเองดีจริงๆอย่างคนที่เจริญเมตานั้นแสดงว่าเห็นโทษของโทสะต้องการมีความสุขและยังรู้ด้วยว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับเมตตาเป็นต้นนั้น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 เพราะฉะนั้นพโยคาวจรแผ่เมตตาไปยังตนเองก่อนนะคือเจริญให้กับตัวเองอะนะเพื่อความเป็นพยาน <c oughs> พยานแห่งเมตตาพยานแห่งความเป็นมิตรพยานแห่งความยื้อใ่ายังั้นเถอะต่อจากนั้นเพื่อทําเมตตาให้เป็นไปได้โดยง่ายต้องเจริญใครก่อนนะซึ่งมันง่ายอะ่ะก็คือบุคคลใดเป็นที่รักนะคำที่รักในที่นี้ก็คือเป็นคนที่น่าปรารถนามาก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 แต่แล้วเวลาเพนพอดีท่านก็เลยให้ฉั น, ฉนร่วมกันท่านก็ทักทายปราศัยไปยังไงอยู่ยังไงเรียนอะไรศึกษาอะไรนะนั่นก็คุยเราดีมากเลยโอ้เราก็ผู้ใหญ่ให้ใ ห, ใ, หให้เมตตาต่อเราสบายใจมากประมาบอกว่าบางท่านเนี่ยนึกถึงปุ๊บยิ้มแยม้มแจ่มใสได้เลยสบายสบายเลยเรียกว่าเป็นคนที่น่าบอกบุญรับเลยนะคล <c oughs> ้า ย, ายลักษณะนี้ฮันคนที่เป็นที่เราเจริญใจก็เจริญไปหาท่านเหล่านั้นกันหรือ จเจริญไปหาคนที่เราเคารพมากนะเพราะในตัวคนนั้นมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราเคารพยำเกรงอะนะคนลักษณะนี้เราก็จเจริญเมตตาให้เขาได้หรือคุณที่ว่าเนี่ยก็คือคุณคือเขาบุคคลนั้นเขาเป็นผู้ที่มีคุณคือศีลจริงๆเขามีคุณคือสุตตะเขามีคุณคือจาคะเขามีคุณคือปัญญาเขามีคุณธรรมถ้ายิ่งมีมรรคผลมีนิพพานด้วยแล้วนี่ก็ ห้หน้าหน้านาปรารถนาซึ่งเราต้องการเคารพเขาจริงๆหรือว่าเจริญไปหาคนที่หน้ายกย่องหน้าเทิดทูนยังไงอันต้องหาบุคคลอย่างนี้เนี่ยเป็นที่เราเคารพต้องคิดว่าคงหาได้นะคนในโลกนี้แหมไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยกย่องใครเลยถ้กคนนี่ก็แสดงว่าเต็มทีมกันนะเนาะแสดงว่าแห่งแร้งเหลือเกินในะชีวิต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 แล้วก็กลับบ้านเนี่ยก็ทุบตีลูกอยู่ทุกครั้งทุกครั้งไปนะเด็กคนนี้ก็พยาบาทมาจนโตเป็นหนุ่มมาบวชเป็นพระแล้วก็ยังพยาบาทอยู่นั่นแหละนึกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคู่แค้นกับพ่อสันนะ อ, อย่างนี้ก็มีนะบางคนก็แม่ที่ใช้ชีวิตวิบัติลูกนึกถึงแม่ก็ก็ไม่สบายใจทุกทีอย่างนี้ก็มีดังั้นการเจริญเมตตาก็ต้องเจริญให้แก่บุคคลที่เราเคารพจริงๆหรือว่าอุปชาอาจารย์เนี่ยนะ อุปชาอาจารย์ของผู้ที่มีคุณธรรมของความเป็นอาจารย์มีคุณธรรมของความเป็นอุปชาอย่างเงี้ยก็ให้เจริญไปหาบุคคล น, นั้นที่เราเคารพเทิดทูนยกย่องท่านแต่ทีนี้ในบุคคลที่ที่เราจะเจริญไปหาซึ่งจะหล่อเลี้ยงรักษาเมตตาของเราได้เราก็ควรที่จะรู้จักองคุณของผู้ที่ที่เป็นกลยาณมิตรนะการเจริญเมตตาก็คือมิตรใช่ไหมกลยานี่แปลว่าดี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 โดยกานภิสษุทั้งหลายพิกูุผู้ประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการควรเคารพควรครบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่ก็ตามตถ้ามีคุณธรรมเจ็ดอย่างเนี่ยนะควรเข้าไปหาถึงท่านจะไล่เราหนีก็ไม่เป็นไรควรเข้าไปหาท่านบ่อยบ่อยว่า ง, งั้นธรรมะเจ็ดประการเป็นไนคือหนพิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจคือองค์นั้นเนี่ยเป็นที่น่าใคร่หน้าพอใจมาก สองเป็นที่เนะคารพเรียกว่าจะพูดคุยกับท่านต้องยกมือไหว้ลักษณะนี้เป็นที่เราเคารพเสร็จแล้วก็สเป็นผู้ควรสรรเสริญนะควรแก่การสารรเสริญพูดถึงคุณเมื่อไหรก่ก็พูดยกย่องเมื่อไหร่ก็ไม่เหนื่อยหน่ายว่างั้นเถอะเรียกว่าสามารถหยิบยกความดีของท่านมาพูดได้ไม่รู้จักเบื่อว่างั้นแควรแก่การสารรเสริญและก็ท่านเป็นผู้ฉลาดพูด คนนี้เป็นคนที่ฉลาดพูดคําว่าฉลาดพูดเนี่ยพูดอย่างไรดังั้นคำพูดในทีนี้ต้องเป็นพูดด้วยเมตตาวจีกรรมคําว่าเมตตาวจีกรรมก็คือการแสดงธรรมเป็นต้นนั่นเองเป็นเมตตาวจีกรรมแล้วก็ห้าเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำนัก็คือสามารถที่จะกระทําตามโอวาทท่านได้ท่านท่านคนนี้เนี่ยมีคุณธรรมพอที่จะให้เราไปลงน้ําเราก็ลงตามได้ลกักษณะเนี่ยนะ แล้วก็หกพูดถ้อยคําลึกซึ้งนะถ้อยคําลึกซึ้งก็คือถ้อยคําที่ปกปิดถ้อยคําที่ลึกลับเอ๊ท่านพูดเรื่องอะไรนะปกปิดลึกลับนึกออกไหมพูดเรื่องอะไร อ, อ, อ่ะถ้อยคําที่ลึกซึ้งคำภีรงอ่ะคำพีระถ้อยคําที่ลึกซึ้งอ่ะพูดเรื่องอะไรดีลึกซึ้งนาการ น, น, นี่เจ้าฮะนะพูดเรื่องชาญอย่างนี้ใช่ไหม เรื่องฌานเรื่องนัยยะของการเจริญฌานเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้นะอุบายในการแก้เรื่องนั้นต้องแก้ด้วยอุบายอย่างนี้นะนึกถึงคําสอนหมวดนะั้นนึกถึงธรรมะหมวดนี้นะแล้วตรงนี้ควรคิดแบบนี้บ่อยๆคิดมากๆลักษณะเนี่ยนะนี่เรียกว่ามีถ้อยคําที่ลึกซึ้งโอ้นี่วิปัสสนานะ้นี้เป็นตัววิปัสสนานะ้นี้เป็นอารมณ์วิปัสสนาเนะเนื้อหาวิปัสสนาโยงใยลักษณะใดเป็นต้นสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังได้ หรือผู้ที่สามารถกล่าวถึงมักกล่าวถึงผลกล่าวถึงนิพานได้ในทะี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีถ้อยคาที่ลึกซึ้งว่า ง, งั้นคนธรรมดาฟังไม่เข้าใจว่า ง, งั้นต่อไปนะข้อเจก็คือไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีไม่ชักนำในกายกรรมที่มีโทษไม่ชักนำในการกล่าวพเพ์เจอร์เป็นต้นเนี่ยนะไม่ชักนำกล่าวสิ่งที่มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ย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 ว่าพระตถาคตเนี่ยนะมาแล้วอย่างนั้นเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะศรนะัทธาในความในคุณของพระตถาคตที่เป็นพระ อ, อรหันต์ตสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 เห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายผู้ที่มีคุณธรรมรักมีศีลอย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นเป็นผู้ควรสารเสิริญนะเป็นผู้โจดเป็นผู้ท้วงคนที่มีคุณธรรมคือศีลอย่างนี้เราก็เจริญเมตตาให้เขาได้นะเขามีเขาดีจริงๆอ่ะสมควรแก่การเจริญเมตตาควรเป็นบุคคลที่เรา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 ลึกซึ้งก็คือสามารถที่จะทําถ้อยคําที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคําที่ลึกซึ้งเนี่ยคลนละนายกับเมื่อกี้นะตรงนี้ถ้อยคําที่ลึกซึ้งก็คือถ้อยคําเกี่ยวกับสัจจะปฏิจจารถิถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องอริยสัตว์นี้เป็นถ้อยคําที่ลึกซึ้งนะชาติพิทุกขาเกิดเป็นทุกข์ซึ้งปะซึ่งเลยยังชาราพิทุกขาเงาซึ่งเลยยังนะ เขาบอกว่าอะไรชราอะไรชราเดี๋ยวจะจะขอสมัครเป็นคนซึ่งซึ่งดูบ้างไหมอะไรชราอะไรชราฮะรูปขันรูปอย่างเดียวเหรอลูปอย่างเดียวนะบอว่าถ้ารูปชราเดี๋ยวน้ําก็ชราไปด้วยใช่ไหมอ่ารูปน้ำขันห้าชราเนี่นะอ่ามีสภาวะรองรับนะ ที่จริงอะคำว่าชาราก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละที่เรียกว่าชารานี่ย น, นะปรารทานขันห้าก็จะจําแนกรายละเอียดไปอีกเนั้นคําว่าชาราในคําสอนไม่ได้หมายแค่หนังเหี่ยวผมเปลี่ยนสีอะไรแค่นั้น น, นนะอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ว่าเบื้องเบื้องลึกๆข้างล่างในนั้นนี้อีกมีอีกมากคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิย ญ, ญาณนั่นแหละเรียกว่าชาปิทุกขาชราปิทุขามารนามปิ ทุกครั้งนะก็คือตัวอุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าทําไมจึงจึงชารานะเราก็ต้องรู้เรื่องของปัจจัยว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้รูปนามชาราทําไมเราจึงแก่เพราะหมหาพุทธรูปนะก็บอกว่ามันมีเตโชธาตุตัวหนึ่นไงใช่ไหมชิรณะเตโชฝังไม่เพราะเลยนะชิรณ ะ, ประแปลว่าแก่นะธาตุไฟที่ทําให้ให้แก่ชารา ธาตุไฟอันนี้เกิดจากสมุทฐานสี่อย่างนะธาตุไฟที่ทําให้ชาราเนี่ยนะเกิดจากกรรมก็มีบางคนเนี่ยแกตั้งแต่คลอดใหม่ๆเลยกลยคล้ายกับเท่าทารกเลยนะคล้ายอ่าเท่าทารกงค น, คนคละข้ามกันนะเนาะเท่าทารกก็คืออายุมากแล้วแต่ทําตัวเหมือนเด็กๆแต่บางคนเนี่ยเด็กแต่หน้าเหมือนกับผู้เท่าเลยเหมือนกับผู้อายุมากเลยนะเคยเห็นในหนังสือพิมพ์เด็กคนหนึ่งคลอดมาใหม่ๆเลยนะโอ้หน้าเนี่ยแก่เลย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 คนที่มีจาระฆาในแบบค า, ารวาสเนี่ยนะคนที่ให้ทานได้มากๆเนี่ยเราก็อาจจะนึกกันออกกันนะแต่ถ้าหากว่าพระเนนด้วยกันเนี่ยคนมีจาระฆาคือคนอย่างไรอัน น, นสมณะที่มีจาระฆาคือสมณะเช่นไรเจนผ่านเจนผ่า น, น, านสมณะที่มีจาระฆาทางาศาสนาคือเป็นผู้ที่มักน้อยนะก็คือรู้ว่าความเหมาะสมของตัวเองเท่าไหร่ที่เหลือโอนให้คนอื่นหมดเลย เรียกว่ามักน้อยสันโดษหรือว่าชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่คลุกคลีด้วยกิจที่ไม่สมควรนะสมณะเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจาคะางงมีความเสียสละเสียสละทั้งวัตถุด้วยวัตถุภายนอกนะความมักน้อยสันโดษเนี่ยก็คือความเสียสละของท่านละวัตถุภายนอกแล้วก็ความชอบสังัดไม่คลุกคลีเป็นต้นท่านก็มีจาคะภายในด้วย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 เป็นผู้ที่มีถึงพร้อมด้วยสติมีสติตั้งมั่นถ้าทั่วไปเราก็เคยได้ยินคำว่าสติก็คือการระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานหรือว่าคนที่มีสติก็นึกถึงสัมปชัญญะบับพภะก็ได้ผู้ที่ฝึกในลักษณะนั้นก็คือผู้ที่มีสติเพราะส่วนใหญ่แล้วในคมพีท่านอธิบายถึงเรื่องสติก็คือสติในที่7สถาน เจตสถานคืออะไรบ้างทบทวนวิชาเก่านะหนึ่งเจตสถานก็คือหนึ่งจะไปจะมาวางัานแทนในการก้าวไปถอยกลับ น, นั่นแหละสัมปชัญญะกับสติก็ในยะเดียวกันเจนพานสติถ้ามีที่ไหนมีคำว่าสตินะให้รู้เธอว่าตรงนั้นมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยที่ไหนมีคำว่าสัมปชัญญะที่นั่นขอให้รู้ว่ามีสติอยู่ด้วยเพราะ ธรรมะคู่นี้เป็นผะหุปการะกาธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะสติกสัมปชัญญะนะหนึ่งนะในการก้าวไปในการถอยกลับข้อสองในการแลเหลียวนะเหลียวซ้ายแลขวาสงเคราะห์สัมปชัญญะ4เข้าไปนะผู้ที่ฝึกลักษณะนี้บ่อยๆแล้วต่อไปอคู่เข้าเหยียดออกนะการคู่แขนการเหยียดแขน ต่อไปในเรื่องของการนุ่งหม่มนะการนุ่งหม่มแล้ว้อต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันกินดื่มเคี้ยวลิ้มข้อต่อไปอีกก็ ก, การเข้าทำสรีระกิจ <c oughs> เข้าห้องน้ำนะถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็สุดท้ายก็คือการยืนเดินนั่งนอนนิ่งหลับตื่นพูดพวกนี้ก็มีสัมปชัญญะสี่ ผู้ที่ฝึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆากเาเรียกว่าคนที่มีสติ <c oughs> มีสติดีนะแต่ถ้าเราหลงลืมสติก็คือทําไงเอาอะไรมาตรวจสอบว่าเราไม่ค่อยมีสติเลยนะเอาสัมปชัญญะสี่มาจับเลยนะถ้าสัมปชัญญะนึกไม่ออกสักข้อเลยแสดงว่าโอ้โนี่หลงจริงๆเลยหลงจนหลับเลย <c oughs>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 หรือไม่ก็เจริญเมตตาให้กับผู้ที่มีมีปัญญานะคนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาคนที่มีปัญญาก็คือรู้ว่าสภาวะที่วิปริตอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษนะั้นคนที่มีศรัทธามีศีลมีสุตมีจาระมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคนที่มีคุณธรรมเหล่านั้นเราสามารถที่จะเจริญเมตตาต่อจากเราได้ เสร็จแล้วเจริญให้ตัวเองก่อนเสร็จก็ค่อ ย, อ ย, อยนึกไปหาบุคคลนั้นคนที่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจะเห็นลักษณะของเมตาก่อนนะพ่อมาเจริญให้ตัวเองนี่มันมีความเย็นระดับหนึ่งแล้วนะถ้าด้วยน้ำสายใจจริงจริงๆเจริญให้ตัวเองเสร็จแล้วโอนไปหาบุคคลต่อไปอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันจะมีความเย็นอยู่ระดับเดียวกันเลยเวทนามไม่ต่างเลยความรู้สึกไม่เปลี่ยนมีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนอย่างนี้ก็ก็จเจริญต่อไป ถ้าหากว่าหาคนแบบนี้ไม่ได้ทํางานหาอีกคนหนึ่งนะบอกว่าพึงระลึกถึงเหตุแห่งความเป็นคนน่ารักน่าชอบใจนะเรียกว่าหาคนที่เราเคารพนะเช่นคนที่เขามีการให้ทานมีการแบ่งปันคนที่มีปิยะวาจาพูดแต่ถ้อยคําเป็นที่ที่เคารพนะที่น่ารักอะ่ะปิยะก็คือน่ารักอ่ะนะหรือผู้ที่มีอัตเจริยาหรือคนที่มีสมานตต า, ตา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 เหตุแห่งความเป็นคนที่น่าเคารพน่ายกย่องน่าเชิดชูมีศีลมีสุตะมีทุตะธรรมว่าไ ง, งดีกาท่านอะธิบายว่าอย่างคนที่มีศีลมีสุตะมีจาระหรื อ, อผู้ที่รักษาทุดงนะถ้าเป็นพระเจริญให้พระด้วยกันเนี่ยนึกถึงพระที่ท่านเคร่งครัดในทุดงคคุณทุดงนี้แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาะนะความข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ขัดเกลา หรือพระที่ท่านมีชาคริยธรรมชาคริยธรรมก็คือทาเป็นเครื่องตื่นคนนอนน้อยเดินจงกรมมากนั่งสมาธิมากอนนะการยืนการเดินการนั่งนี้ก็ถือว่าเป็นอิริยาบทใช่ไหมอิรยิรยาบทเป็นกุศลหรืออกุศลอ่าไม่หลงน ะ, ะแสดงว่าเก่งมากชวนหลงยังไม่หลงเลยแสดงว่าตรงทางอ่ะนอะอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นอพยกตะ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 ลักษณะนั้นจะรับส่วนหนึ่งปฏิเสธอีกส่วนหนึ่งซึ่งคำสอนนั้นสาสถังสัพยัญชนะถึงพร้อมด้วยนะบริบูรณ์ด้วยพยัญชนะนะถึงพร้อมด้วยอัฏฐะสาสถังสัพยัญชนะงเกวะลังเนติปกรณบอกว่าเกวละลังในที่นี้หมายถึงพระนิพพานเน่นนะเกวละลังก็คือสิ้นเชิงนั่นเองบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะประกาศพรหมจันทร์คือพรหมจันทร์คือ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 เมื่อบุคคลเห็นปานชนีอัปปนาย่อมสําเร็จแน่แท้คือคําว่าอัปปนาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงชาญจิตอะไรนะแต่บางท่านก็อาจจะเป็นชาญจิตก็ได้นะเขบอกว่าพโยคีผู้ปรารบภาวนาเจาะจงบุคคลผู้เช่นนั้นเชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกระทําภาวนาให้ดําเนินไปในบุคคลผู้สมควรและเธอนี้ก็สําเร็จภาวนาในบุคคลนั้นได้ง่ายเจริญตัวเองเสร็จไปหาท่านเหล่านั้นก็ง่าย ฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเสร็จแล้วอย่าลืมว่ากุศลธรรมนั้นมีเวทนาเกิดร่วมกี่อย่าง mm hmm. กุศลธรรมมีเวทนาเกิดร่วมหนึ่งโสมนัสเวทนานะของพวกเราทั้งหลาย mm hmm. เป็นมหากุศลใช่ไหมเวลาเจริญ mm hmm. มหากุศลนั้นจะต้องเป็นโสมณัต ส, สี่ดวง mm hmm. เป็นอุเบกขาอีกสี่ดวง mm hmm. ต้องต้องสังเกตดูนะ mm hmm. แต่ท่านนึกแล้วแหมตงเตงเียบตเงียบแม่ตาแดงว่าไม่ใช่แล้ว mm hmm. และอย่างหนึ่ง ในการเปรียบเทียบเรื่องเมตานั้นก็สังเกตดูนะเบาจิตเบาขึ้นไหมโมทุตากรรมยาตาปาคุญยาตาละหูตาเนี่ยนะสังเกตดูจากสังเกตพวกนั้นอ่ะถ้ามันเบามันอ่อนหรือปรับระดับว่าเอกรมาเจริญนี่มันสบายใจกว่า น, นี่ฮะพอมาเจริญเข้าเอ๊ะทำไมไมัน ไ, ไ, ไม่สบายกว่าเก่าเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะก็ตรวจสอบดูได้เลยว่าผิดพลาด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 นั้นคล้าว่าถ้ากอไก่เหมือนขอไข่นะเสร็จแล้วขอไข่เหมือนกับคอควาเนี่ยถามว่าขอควาเหมือนกับกอไก่ไหมเหมือนไหมเอาใหม่นะอะกอไก่เนี่ยเหมือนขอไข่เปี้ยเลย<อ>ทีนี้ขอไข่นี่เหมือนกับคอควายอ่ะเสร็จแล้วคอควา ก, กับกอไก่เหมือนกันไห ม, ม<ด>เออต้องเหมือนกันนีนะ<ด>เมตตาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เอ๊ะึ้นต้นก็ดีดีไปนานๆเข้าเป็นอะไรวะเนี่ย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 แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านสับสนทำยังไงนะไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วเลิกเลยเออไม่เป็นก็เลยเลิกเลยนะไม่ควรเป็นอย่างนั้นเนอะไม่มีอะไรใครเป็นแต่อ่อนแต่ออกหรอรอกมันสามารถที่จะฝึกได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสอนคําสอนนี้เป็นคําสอนเพื่อเพื่อการฝึกนะยิ่งคนที่สายโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยมาเจริญอย่างงี้แหมห่วยยากจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอดทนต่อไปก็สามารถที่จะ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 เขามีประโยค่าดีอะนะไม่มีใครทำอันตรายแก่เขาได้ไม่มีใครทำอะไรให้เขาเสียหายได้ฉนั้นประโยค่านี่มีความสำคัญมากานะถ้าหากว่าพี่สุผู้ไม่มีเวรแบบนี้แม้เมื่อผู้อื่นกระทำความเสียหายให้ก็ไม่เกิดความสำคัญว่าเป็นคนมีเวรกันนะเขาทำความเสียหายให้ขนาดไหนก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊นี่มันเวรเราเนี่ยเพราะความที่เธอเป็นคนจาพวกมหาบุรุษก็ดี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 หาไม่เจอเลยอ่ะเออคนอย่างนี้แจีวมากหายากพอสมควระแต่ว่าเขาเจีงเรียกว่าออคนลักษณะนี้เป็นมหาบุรุษเหมือนกันนะมหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แบบนั้นก็บอกว่าใครทําอะไรให้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่โตเท่ากับขวาเส้นหญ้าอะไรหรอกไม่ได้นึกอะไรมันนะเป็นเรื่องธรรมดาไปอนะคนเรามันผิดพลาดกันได้อะไรกันได้เออบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะ ขณะเรื่องราวใหญ่โตเลยนะเขามองเป็นเรื่องนิดเดียวจริงๆเลยนะไม่ได้รู้สึกเครียดอึดอัดงุดงิดไม่มีทุกอย่างมองปัญหาอย่างอย่างทะลุปุโปร่งหมดเลยนะบางคนเนี่ยมีปัญญาขนาดนั้น่ะจนไม่รู้สึกว่ามีอะไรทําให้เขาเครียดบ้างเลยไม่มีอ่ะเพราะเขามองแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ออกอย่างตลอดสายนะแต่ว่าคนมีปัญญานะะคนมีปัญญาลักษณะนี้การเจริญเมตตาก็เชื่อว่าไม่มีใครมีเวรเลยอเมื่อไม่มีใครมีเวรก็ น้อมจิตไปในหนึ่งตัวเองสองคนที่เราเคารพสามเพื่อนรักสี่คนที่เป็นกลางกลางกันนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคนมีเวนนี้พระพุทธโคสาจารย์ท่านบอกว่าหมายถึงคนที่มีศัตรูกันนะแล้วค่อยต่อให้คนที่มีเวนกันถ้าไม่มีเวนก็เจริญไปได้เลยอย่างนี้ส่วนลำดับของการเจริญเมตตานั้น มันมีอยู่ในหน้าท้ายๆซึ่งซึ่งมีวิธีการเจริญขยายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ในที่เราจะแสดงต่อไปนั้นหลังจากนี้จะแสดงถึงอุบายในการระ ง, งับความโกรธซะส่วนใหญ่นแต่ว่าเมตตาจริงๆนั้นก็สามารถที่จะเจริญตามนี้ได้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 ครับผมหน้าหน้า46หนะหน้าหก้า46 47เนี่ยกล่าวถึงลำดับของการเจริญเมตตามเมื่อเจริญตามนั้นไปแล้วอะ่ะนี่ข้างก็บอกว่าเหมือนอย่างชาวนาผู้ฉลาดย่อมกำหนดสถานที่ต้องไถแล้วจึงจะไถชันใดพโยคีก็พึงกำหนดอาว่าที่อยู่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 จากจังหวัดไปเป็นภาคจากภาคก็ไปเป็นระดับประเทศจากประเทศก็ไปหลายๆประเทศจากประเทศเป็นทวีปจากทวีปก็เป็นเป็นอะไรเป็นโลกเลยหมดโลกแล้วก็โลกอื่นๆจากกวางอื่นๆเทวดาวไปให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั่นแหละโอ้ถ้าใจใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะเรียกว่าอัปปมัญญาเลยละ่ะโอ้เนะีเป็นคนมีฌานและได้ระดับฌานแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องมันฝึกเอาว่างไงเป็นคิดฉลาดตัวไห เป็นเนคข ม, มวิตกก็ได้อ้ยเยอะยะเน <c oughs> คิดฉลาดเวลาหมดพอดีครับ